อาจารย์คำใหม่ก็ได้เปดิดโอกาสให้ตมาได้มาพูดคุยในฐานะที่ไปมาศึกษาปฏิบัติตามหลักการที่หลวงพ่อเทียนท่านแนะนำ ท, ทั้งที่มีความรู้ สราเรื่องการศึกษามาแต่ต้องมาอาศัยคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแนะนำให้หลักการเรียนมาแล้วแต่ใช้ไม่เป็นทำไม่ได้เนี่ยอย่างที่เราทำกันเนี้ยอาตมาก็เรียนมาเรียนตัวหนังสือนะ เรียนแปลได้มาสติประสานสูตรแปลได้รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ใช้ไม่เป็นใช่ไม่เป็นต้องมาใส่วิธีการอมตะเทียนสอนท่านก็สอนเหมือนในตำราที่เรียนนั่นแหละ แต่คนเรียนตามตำราใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นไม่รู้จะใช้ยังไงใช้แล้วเกิดลังเลแลวสงสัยไม่รู้จะจับจุดไหนประเด็นไหนดีนี่เรียกว่าใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้มีโอกาสไปมาปฏิบัติโดย วิธีหลวงพ่อเทียนที่ท่านแนะนำก็การเข้ามาก็ใหม่ๆก็คงจะเหมือนหลายๆท่านเหมือนกันก็ยังไม่รู้หรอกอาตมาเองก็ไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดีอย่างไรแต่ว่าเข้ามาแล้วก็โดยเจตนาและความตั้งใจก็อยากจะหาความรู้หาหนทางตามที่เรา ได้บวชได้เรียนมาก็เออว่าพุทธศาสนานี่นะสอนให้คนพ้นทุกข์แต่เราบวชไปแล้วนี่มันยังไม่เคยไปไหนเลยนะทุกข์ยังเท่าเดิมปฏิบัติมาแล้วทุกข์มันก็เท่าเดิมไม่เห็นมันจะพ้นสักทีก็สงสัยสงสัยแล้วก็ตั้งใจในที่จะออกมาทำอย่างนี้ พอได้ออกมาทำอย่างนี้จึงเข้าใจอ๋อหลวงพู่เทียนนึงบอกว่าคนจริงรู้ของจริงอัตมาปฏิบัติตามนี้แล้วก็เห็นแนวทางเห็นความหวังในการทำก็ตั้งใจทำแต่จริงจริงก็ตั้งใจมันตัง้งแต่เดิมนะตั้งแต่บวชเข้ามาเนี้ย กตั้งใจตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจไม่ไม่ทำหตั้งใจทำตั้งแต่ออกจา ก, กโบสถ์ทำมาตลอดทั้งๆั้งที่ไม่มีใครแนะนำส อ, สอนแล้ว mm hmm. เลยหลายเรื่องเล ย, ยอย่างกันที่จะา ม, มาทำเนี่ยมานึกถึงตอนนี้เออเราทำได้ยังไงนะทำได้ยังไง อย่างเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องการทําความรู้สึกตัวเนี่ยอาตมาเป็นพระใหม่เนี่ยเดินไปบินนบากก็ซ้ายขวาหนึ่งสองแล้วแต่จะกําหนดให้รู้สึกตัวนึกย้อนหลังไปเอเราไปเอามาจากไหนเนาะทําไมคิดอย่างนั้นปีสองแปดอาตมาเดินทุ ด, ดงก็กําหนดเนี้ยจนมันได้อารมณ์เปลี่ยนแต่ว่า มันก็อย่างนั้นนะตอนเปลี่ยนก็ดีพอกลับเข้ามาศึกษา เ, าเรียนปริยัติก็เหมือนเดิมจนมาสอบได้ป ร, ริยนติธรรมเจ็ดประโยค์สอบแปประโยค์ไม่ผ่านก็นึ ก, กว่าเอชีวิตเราเนี้ยเราอยากเป็นพระนะอยากอยู่เป็นพระแต่ทำยังไงเราก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอะไร อยู่อย่างเนี้ยถึงจะรักชีวิต umm. เป็นพระมันก็าหาความสุขไม่ได้ mm. ก็ทำไง mm. ก็เลยอยากจะออกอยากจะหาทางในความเป็นพระในการอยู่เป็นพระให้ได้แล้วต้องอยู่แบบมีความสุขด้วยทำยังไงก็เผอิญว่า ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณลากิติเมธีนะที่มาเปิดงานท่านก็ไปได้ยินโยมคุยเรื่องปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียงก็ชวนตมาไปแต่ตมาก็ไม่ได้สนใจ้วเรื่องโดยวิธีการไม่ได้สนใจนะแต่สนใจอย่างเดียวอยากจะหาที่ปฏิบัติอยากจะหาที่ปฏิบัติ ก็มาถึงแล้วก็ตั้งใจเลยครั้งแรกอะที่บันเทนน์น้องมักหลอดเชยภูมิไปอาตมาก็ออกไปเป็นลำบากก็สองสาวันก่อนก็จะถึงงานไปก่อนงาน <c oughs> พอหยังานั้นอาตมาก็ไม่ไม่มาร่วมแหละกิจกรรมอย่างเงี้ยโนเดินจงกรมอยู่องค์เดียวตั้งแต่ตื่นยันนอนฉันมือเดียวทำอย่างเงี้ย ถ้าตามที่จะมาเคยผ่านมาก็ไม่มีหรอกไม่มีใครกระทาถึงเวลาก็ต้องมาทําวัดสดมนถ้าเราทําเอกเทศอย่างนั้นน่ะถือไม่ร่วมมือก็ต้องแต่มันโดยโดยที่เราอยากจะทำน่ะไม่สนใจว่าใครเขาจะว่าดืหรือทําตัวไม่เข้ากับพวกหมู่แล้วก็ตั้งใจทําแล้วเราโดยชีวิต่ะโดย ปกติก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่คือจะทำอะไรก็ตั้งใจทำไม่สนใจเรื่องอื่นละ <Yeah. S 1> ใครก็จะไปทางไหนขึ้นเหนือล่างใต้ก็ช่างแต่เราเมื่อเราตั้งใจเราก็ต้องทำอาตอมาก็ทำทุ่มเต็มที่ทำทำแล้วมันก็โอ้ระยะหนึ่งเดือนเราอยู่ที่นั่นรู้สึกว่าโอ้โห มันได้ผลที่เราไม่คิดมาก่อนนะแต่ว่าเล่าให้ฟังแต่ผลนิยมก็อาจจะโหงดีจริงเนาะแต่ตอนที่ลำบากนี่ยายเล่านะ <c oughs> มันต้องอดทนที่สุดในชีวิตเนี่ยอาตมาบอกไม่เคยอดทนเลยมาก่อนในชีวิตเท่าการอดทนเรื่องเหล่านี้ ทั้งง่วงทั้งเบื่อทั้งเซ็งง่วงเนอันดับหนึ่ง <c oughs> ต้องอดทนมากมันจึงหลวงพ่อเทียนจังบอกว่าคนจริงรู้ของจริงอาตมาเมื่อกี้ฟังท่านทำไม่พูดว่าแบบรัสสั้นอาตมาพอเข้าใจตรงเนี้เขียนชีดปฏิวัติเลยปีสี่เก้า ท้าพิสูจน์ท้าพิสุจน์คนจริงรูกของจริงเปิดโอกาสให้พระพิสูจน์สมณี น, นผู้รักในการปฏิบัติได้เข้ามาอยู่ปริวัติกรรมโดยเลือกวิธีปฏิบัติแบบรัดสั้นตรงทำาว่ารัสั้นตรงได้รัดสั้นตรง ถ้าใครปฏิบัติตามคำแนะนำรับรองผลได้เห็นผลในระยะเวลาที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นจึงขอท้าพิสูจน์คนจริงที่ชอบความท้าทายได้มาพิสูจน์ความจริงกันก็จะมาเขียนท้าทายเนี่ยหมพ่อจำเนียนนั่งเนี่ยอ่านเขาปุ๊บเก็บของมาเลยตามคำท้าและตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ก็ไม่ไปไหนเลย มันสายแพรแถงเทียนตลอดสี่ปีไปแล้วแคเนี่ยอาตมากา็เออนึกถึงว่าลัดสั้นตรงมันลัดสั้นตรงจริงๆอาตมาไม่เคยเห็นใครสอนลัดสั้นตรงแบงบหลวงพ่อเทียนรัดสั้นตรงตรงอหไรคือความรู้สึกตัวรัดสั้นไม่ต้องแปลวาเรื่องอื่นมากไม่ต้องไปเอา อะไรต้องมักมีองแปดต้องทางสายกลางต้องพิจารณาไอ้นั่นไอ้นี่ต้องศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดต้องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรยีปาทามากมายเอามาพอกโูลจนมันเป็นเครื่องกีดขวางไปเลยหลวมอเทียนบอกไม่ต้องอะไรมากเอาแค่นี้นะไม่ต้องชุดขาวก็ได้ชุดไหนก็ได้อยู่ในท่าไหนก็ได้ขอให้ทำความรู้สึกตัวแล้วกัน เอาเรื่องนี้ <C oughs> ไม่ต้องเรื่องมากเรื่องเดียวจริงๆเลยเรื่องความรู้สึกตัวไม่ต้องมารู้อะไรแล้วนะไม่รู้เรื่องอื่นได้ยังดีไม่ต้องฟังมากฟังมากคิดมากอ่านมากคิดมากคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันรู้เรื่องความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยตรงเลยเมื่อก่อนตะมะก็ไม่รู้มันตรงอย่างไรเละว่ามาทำ เรามารู้แค่เรื่องเดียวเรื่องอะไรความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละทุกเรื่องที่เราไม่เข้าใจที่เราสงสัยเนี่ยมันหายไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่มารู้ความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะไปอ่านตำรับตำราเรื่องไหนเรื่องไหนสักร้อยเรื่องพันเรื่องอ่ะไม่เคยเข้าใจสักเรื่องหนึ่งเลยแต่เรามาทำเรื่องเดียวเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องเดียวเนี่ยเข้าใจหมดทุกเรื่อง เพราะนั้นเนี่ยมันคือจิงลัดตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมคอมไม่งั้นไม่ได้ต้องถือบวชนะต้องสมาทานศีล น, นะต้องงดเว้นไอ้นั่นต้องทําไอ้นี่นะไม่ระวังเรื่องศีลก็ไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าปฏิบัติ ท, ทําให้ก้าวหน้านะเดี๋ยวธรรมะมันไม่ผุดขึ้นมาไม่รู้อะไรแล้วถามว่าธรรมะคืออะไรอ่ะตอบได้ไหมอ่ะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือไอ้นั่นคือนี่ นิยามไม่ใช่ไม่รู้เลยขรงโมเทียนของโมเทียนธรรมะคือความรู้สึกตัวเรื่องเดียวตรงไหมสั้นไหมเรื่องเดียวตะเนี้ง่ายๆเรื่องเดียวข้อสําคัญคือคนจริงคนจริงคนไม่จริงเนี่ยอะไรหน่อยก็โอ้ยไม่ไหว โทษไอ้นั่นโทษไอ้นี่โอ๊ยไม่ได้คนไม่จริงคนจริงอดทนพระเจ้าคนจริงอยู่บนภ่าสาระจวางสุขสบายต้องมันอยู่บนพื้นดินนอนบนพื้นดินกินข้าวที่ขอเข้ามาด้วยพาชนะที่เราต้องมาทอนระมารตัวเองคนจริง น่าจมาฟังครูบาอาจารย์เยอะเรียนมาก็เรียนอ่านก็ไม่เคยเห็นใครที่พูดตรงไปตรงมาเหมือนหลวงพ่อเทียนเลยไม่เคยเจอกล้ารับพูดได้เลยมีแต่พูดเอาอกเอาใจอยากใโยมชอบอยากแ้่ยมพอใจ อยากให้คนฟังพอใจแต่ไม่พูดตรงอไปตรงมาแล้วหาคําพูดที่มันเพราะๆดีๆมาเนี่ยธรรมะข้อนั้นข้อนี้แต่นั้นมันมันจําเข้ามาแล้วมาพูดแล้วไม่รู้จริงๆอ่ะธรรมะจริงๆคืออะไรไม่รู้หรอกอาตามากล้าพูดได้ไม่รู้ถ้าไม่ถึงตรงนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราต้องการอะไร พอมีความรู้สึกตัวแล้วมันได้อะไรเนี่ยปิจิเลอตันมาไปอบรมพระธรรมทูตมาสามเดือนก็มีพระเข้าไปอยู่กับปา a าเจ็ดเดือนเขาก็ไปทํหนอมนันเขาก็บอกว่าหลงพ่าเทียนเนี่ยไม่มีธรรมะรองรับเขาพูดอย่างนั้น อาตมาบอกไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่เราไม่รู้อาตมาก็ถามว่าท่านไปอยู่กับม้าม า, มาเจ็ดเดือนถ้าหากว่าเขาไม่เทศลำดับญาณที่ผมให้ฟังเนี่ยท่านจะรู้ไหมท่าบอกเออไม่รู้เห็นไหมจําเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรหรอก ไหนใครรู้ยกมือหน่อยสิอ้าวยกทำไมนคนกล้าว่าไงใช่ไหมไไถูกไหมเเก่งแล้วเนี่ยต้องมอบรางวัลให้แต่ว่าตารมาว่าอย่างนี้เห็นอย่างนั้นแต่ถ้าใจยังไม่ดีเนี่ย ธรรมะคือต้องใจดีใจดีไม่ใช่ดีใจนะใจดีดีใครด่าก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่เบื่อไม่เซ็งไม่ลำคาญใจดีดีจะอยู่ตรงไหนก็ใจดีเนี่ยอ่ะใครไม่ต้องการนั่งครใจดีอะ่ะใจดีเนี่ยมันเป็นสากลเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเราอยู่แล้วไม่เบื่อ ไม่เซ็งไม่ลำคาญนั่งยกมือทั้งวันก็ไม่เบื่อไม่เซ็งปล่งเบาสบายจะรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้อันอื่นเป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะตมาไม่รู้แต่ตมารู้ว่าที่มันดีก็คือใจดีโอเราใจสบายเราใจดีใครว่าไงก็ไม่โกรธไม่เคืองก็เนี่ย อ้ oh, ใจมันดีจริงๆนะเนี่ยไม่ลำคาญเลยไปอยู่ตรงไหนโอ้ oh, สบายดีไหมอย่างนี้เนี่ยใจดีนะใจดีคือเป็นสิ่งที่ต้องการ เป็นสิ่งที่เรากำลังทำาเพื่ออะไรเพื่อใจดีเพื่อใจเราดีและอะไรเป็นตัวที่ผลักดันให้เราใจดีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสาเหตุทำให้เราใจดี มันนะ่นแหละความใจดีนี่แหละไม่รู้เราจะทำอะไรให้ใครหรือไม่ ใ, ใครให้ของคนอื่นหรือไม่ให้ก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าเราใจดีนี่มันจบทุกประตูทำอะไรให้ใครก็ได้ไม่ทำก็ได้คนละเรื่องไม่เกี่ยว เกี่ยวอย่างเดียวคือใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ถึงสภาวะเนี่ยใจดีมีความรู้สึกตัวแต่ใจยังไม่ดีก็ยังไม่ถึงต้องใจดีนะแต่ตสมาก็สังเกตเลยมันมาจากตัวความรู้สึกตัวเนี่ยพอเรามีรู้สึกตัวมากเข้ามาเข้ ใจมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเกิดขึ้นอย่างตันี้ใจดีความดีความชั่วไม่ได้อยู่ที่การกระทํากับใครหรือไม่ทําแต่อยู่ที่ใจดีกับใจไม่ดีใจไม่ดีคือชั่วใจดีคือดีใครจะทาให้อะไรให้เราหรือไม่ก็แล้วแต่แต่พอใจเราไม่ดีใจเราไม่พอใจ เราเบื่อเราเซ็งอ่ะไม่ดีแล้วนี่คือความไม่ดีคือความชั่วไม่ได้หมายว่าจะต้องไปด่าคนอื่นว่าคนอื่นแต่แค่ใจเราเบื่ออึดอัดแค่นี้ก็คือชั่วลแล้วเห็นนะใจดีนี่คือดีจริงๆ นี่คือความดีจริงๆดีที่ทุกคนสัมผัสได้ด้วยตนเองจะมีคนสรรเสริญเยินยอหรือไม่ชมชอบหรือไม่ไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกับเัาใจดีนะส่วนความชั่วเนี่ยจะเกี่ยวกับคนอื่นทำให้หรือไปทำให้คนอื่นหรือไม่ก็แล้วแต่แต่เมื่อเราเบื่อเราเซ็งเราลงคานเห็นไหมเราไปเดินจงกรมมันมีใครทำอะไรให้อะเบือ่อ ง่วงอุย้ยขี้เกียจลำคาญนั่นแหละนั่นแหละความชั่วล่ะนี่นแหละเขาเรียกว่าความชั่วไม่ได้หมายว่าจะต้องไปทำให้คนอื่นลำบากแค่เกิดเท่านั้นนี่มันเป็นความชั่วแล้วชั่วสำหรับเราเพราะฉะนั่นเนี่ยจึงไม่ต้องนิยาม พอทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองใจดีปุ๊บเนี่ยรู้เลยนี่ดีจริงๆไม่ต้องมีคนอื่นมายกย่องไม่ต้องมีใครมารับรองว่าเอ้ยแกดีๆนะเรารู้ทันทีเลยโยไม่เชื่อหราเลยสุนักที่เลี้ยงเนี่ยตัวไหนที่มันใครเดินมามันก็ไม่แปลกหน้ามันเดินกระดิกขาเข้าหาทุกคนเนี่ยน่ากลัวไหมล่ะหมาตัวนั้นเป็นไงหมาใจดี โอเห็นไหมมหาใจดีมันดีจริงจริงแต่ถ้ายังดีใจนี่ไม่แน่นะเราดีใจจะได้ของกินมาหาแต่อาจจะกาดเอาได้เพราะใจมันไม่ดีใจยังไม่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือใจดีคือความดีที่แท้จริงคือใจดี ธรรมะที่แท้จริงคือใจดีไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นอย่างอื่นเนี่ยดีโดยสมมุติดีโดยสมยสมุติเป็ไงโยมแมมโยมเนี่ยพวกขนมแดกงานนะเนี่ยรู้ไหมอาตมาวา่าไงรู้ไหมรู้ไหมล่ะรู้ปะโยมขนมแดกงานรู้ปะเนี่ย ยิ้มถ้ารู้เรื่องแหน้างอใช่ไหม <c oughs> สมัยพุทธเจ้าใครดา่าใครวะาอย่างนี้ผู้เจ้าไปขอโทษนะรู้ไหมถือว่าเป็นคาําร้แรงแต่นี่ไม่รู้เรื่องมันสมตนะสมติน่ะสมมุติวันนี้คือคาําร้แรงอันนี้ชั่วตามสมมติขออภัยเลยโยมผู้หญิงดา่าโยมผู้ชายเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาอ้ยมันมันด่าแล้วยังงี้เครืองตายเลยนดีไม่ ด, มดีเอาตายใช่ไหม มันเปลี่ยนได้จริงกัือเปล่าเปลี่ยนได้จริงปะล่ ะ, หละเห็นไหมมันสมมติคำพูดแต่ใจดีกับใจชั่วนี่ไม่ต้องสมมุติเลยไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาด่าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วนอกนั้นเราทำได้หมดเลยโยมพอเราถึงทาไปถึงสภาวะใจดีเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ทาอะไรก็ได้ จะประกอบอาชีพทำอะไรแค่ไหนก็ได้หมดเพราะมันทำโดยใจดีแต่ถ้าใจชั่วเนี่ยไม่แน่มันต้องทำตามอารมณ์ตามความอยากความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาทำเนี่ยลงพ่อเทียนเนี่ยนตตมาโหลวงพ่อหลวงพ่อท่านใช้ภาษาพื้นบ้าน แล้วเอาความจริงมาพูดตามภาษาไม่ใช่ภาษาวิชาการอาตมาบอกกับพระบอกว่าไม่ใช่ไม่มีหรอกถ้าคนเรียนมาด้านปริยัติ ด, ด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยเนี่ยมันมาพูดได้ไม่ใช่ไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นคนลรภาษาอาตมามันเป็นคนลรภาษาเราฟังแล้วมันจริงว่าไม่มีแต่หลวงพ่อเตียนท่านใช้ภาษาของเรา ที่ท่านมีความเข้าใจเอาภาษาสมมติในปัจจุบันที่ท่านมีชีวิตอยู่ที่ท่านเข้าใจอย่างนั้นมาใช้เขาจึงว่าเลวงพ่อเทียนพูดแล้วไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะมันคนละภาษาแล้วคนเราก็ขออภยัยแล้วเราถูกปลูกฝังมามากนะเอาเอาศาสนพิธีเป็นที่เป็นพิธีกรรมไม่ใช่ ของพุทธโดยตรงมาใช้ใ ห, หมดกลายเป็นบอกนี่แหละพุทธศาสนาเมื อ, องพ่เทียนท่านรู้ความจริงท่านถึ ง, งพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะี่มาเรื่องเดียวคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทำให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพาน เราเลยไม่รู้จักแล้บุญมันเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกเป็นยังไงสว่างเมืงนิพพานเราจะไปได้ไหมไปได้หลวงพ่อเทียนต้างมาสอนให้เรารู้จักวิธีนี้ทําให้เรารู้จักโดยตรงพอเราทําเรารู้จักเราจะรู้ออบุญอย่างนี้พอเรารู้จักแล้วเนี่ยเราจึงจะทําบุญได้บุญเราจึงจะ หลกเลี่ยงบาปเราจรึงจะเลือกไปสวรรค์นิพพานจะไม่เลือกไปดลส่วนมากเรามองพุทธศาสนาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ศาสนาไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของการออกแก่ทุกข์ออกแก่ทุกข์ออกตรงไหนแล้วก็ใช้ดีนะั่นแหละออกแก่ทุกข์หรือยังอ่ะแต่ว่าก่อนจะถึงใจดีต้องตรงเนี้ยอดทนทํา ความรู้สึกตัวตั้งใจทําเอาเรื่องเดียวนี่นะนะอาตมามาปฏิบัติแบบรลวงพ่เทียนเนี่ยตมาเขาก็เอาเรื่องเดียวไอสิ่งที่เรียนมาตามาตําราตมาวางหมดที่วางหมดเนี่เพราะว่าเรียนมาตั้งนานแล้วอาตมาก็ยังไม่เห็นเป็นยังไงก็เหมือนเดิม โกรธก็ยังโกรธเหมือนเดิมโลกก็ยังโลกเหมือนเดิมมีแต่คนอื่นก็ยกย่องในเอนดีเนาะเรียนมีความรู้นะบวชมานานนะเข่งนะแค่นั้นเองแต่ทำไมไม่ใช่เนี่ยตอนนี้เนี่ยวิธีการสำคัญมาก เดี๋ยวนี้บางทีเราชอบฟังแบบเพาะเพาะบ๊เทียนบอกชอบไม่ชอบฟังความจริงชอบฟังเพาะๆโอ้ยใครมาเทศได้ฟังเพาะๆโอ้ยศรัทธาเพาะเพาะเราหายโกรธไหมละ่ะหายโลภไหมละ่ะหายเบื่อหายเซ็งไหมละ่ะแล้วไม่ดีตรงไหนถ้ายังโลภยังโกรธยังเบื่อยังเซ็งดีตรงไหน ถ้ายังพาเราออกจากความโลภความโกรธความหลงความเบื่อความเซ็งไม่ได้นี่มันไร้ประโยชน์ได้แต่ดีเมื่อก่อนสมาก็แปลหนังสือเนี่ยโอ้โหปีติเกิดอุ้ยพระเจ้าสอนอย่างนี้อ้ปีติเกิดนะแปลแล้วโอ้โหพระองค์สอนอย่างนี้ปีติเกิดก็ได้แค่ปีติเนี่ยไอความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนเดิม แต่มันต่างกับเรามาปฏิบัติแล้วเกิดปิติพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงลำบากต้องอดทนขนาดไหนแต่พอปิติเกิดมันจิกเลยค่อยพริกทําไปเบื่อซึ่งพอปิติเกิดจิตพลิกพลิกพิกไปเลยเลยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นความโลภความโกรธความหลงความอึดอัดขัดเคืองค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเบาสิ่งเลนั้นมันเบาลงไป เบาไปเบาไปเบาไปมันต่างกันเลยอะเวลาทํานี่ไม่ทาด้วยโอ้โหล่าเริองอะไรหลอกต้องอดทนง่วงก็โหง่วงซสจนต้องทนน่ะอาจจะมาอ๋อคนจริงเนั้นน่ะคนจริงเท่านั้น จริงจะรู้ของจริงอาตมาพอรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่รู้ว่าใครไปปฏิบัติที่วัตมาก็ต้องเข้มหมดเพราะต้องการคนจริงอ่ะคนไม่จริงก็ไม่เป็นไรแล้วที่มีเยอะไปไปที่ชอบที่ชอบแล้วอาแต่คนจริง เสียเวลาทำไม้จริงก็เสียเวลาก็เราต้องการจะรู้เรามัวรออะไรใช่ไหมเสียเวลาจะเรียนรู้ความจริงแล้วยังกลัวเงี้ยเสียเวลาเพราะฉะนั้นอาตมาก็ทำอย่างเงี้ยมันจะได้คนที่จะไปอ๋อคนจริงนะเดินเข้ามาเนี่ยถ้าเดินเข้าว่าอาตมาต้องคนจริงแหลนะนะแมก้กระทั่งพระ ก, ก, ก, กลัวนะ คนไหนที่มาวัดตรรมานี่มาสองวันโทรมาก็บอกว่าในชีดปริวาสสี่บวกสองลรมาบกถามหมายความวม่าบอกเข้มเข้มมีปีน่าจะเป็นปีสี่เก้ามีพระบทหม่รูปหนึ่งเขาได้ชีดปริวาสธรตมาเขาก็ถามพระว่าผมเนี่ยจะไปอยู่ปริวาสวัดนี้ดีไหม พระก็บอกโอ้โหโคตรเข้มเลยกวอนนะโคตรเข้มอาพูดอย่างเนี้ยแต่ท่านก็มามาปฏิบัติแต่ถ้ามาสังเกตเออแต่ละครั้งที่พระก็มาปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีไม่รูปก็สองรูปที่ท่านมีความเข้าใจและเดี๋ยวท่านย้อนกลับมาอีก บางลูกย้อนกลับมาห้าหกครั้งแล้วหลายลูกก็เริ่มไปอยู่ที่อื่นแล้วก็รู้ข่าวอยู่เรื่อยๆว่าอ๋อได้ไปปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อมันค่อยๆได้ผลค่อยๆเก็บทีละเม็ดทีละลวงแต่มันค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นจํานวนขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่มีปะโยมร้อยสองร้อยแต่หาไม่ได้สักคนเลย เสียเวลานะเสียเวลาต้องเอาคนจริงใครอยากเพราะว่ า, าศาสนาพุทธเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยาเป็นโรงพยาบาลนะถ้าใครป่วยอยากหายก็เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลไปกินยาโรงพยาบาลอยากหาย ไม่อยากหายก็อยู่ไปนี่ไม่ต้องเข้ามาก็อยากป่วยฮะก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยดีแล้วใช่ไหมมันเหมือนอย่างั้นจริงๆใครอยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นะมันต้องเป็นเรื่องของคนมีศรัทธาอยากจะออกจากทุกอยากจะพ้นทุกอยากจะให้ป่วยตรงนี้ก็มาทำตรงนี้มันจะหาย เพราะฉะนั้นคนต้องมีศรัทธาคนเห็นทุกข์อ่ะจึงอยากจอกจากทุกข์เราเข้ามาเห็นนะตอนพรุทธเจ้าไปแสดงทางาอัญญาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเป็นผู้ที่จ ะ, สะแสวงหาทางคนทุกข์แต่หาไม่เจอจึงมาติดตามพระพุทธเจ้าเห็นไมยศักดะ์คนละบทอยู่บ้านแล้วเบือ่อ ที่ดีวุ่นวายที่กี่ัดข้องเดินเบือ่อม่จะไปทาไหนเจอพระเจา้าจึงเห็นสาลีบุตรโมกขลานะไปเป็นลูกศิษย์ของสนชัยเพราะสำนักของสนชัยก็ต้องการพนทุกแต่หาทางไม่ได้ก็ทำไปตามที่ตัวเองเชื่อแต่สาลีบุตรโมกขลานั้นนี่วันหนึ่งไปเที่ยวดูมอระศโอ้วันนี้ไม่สนุกเลยเบือ่อ ทุกวันเคยสนุกวันนี้ไม่สนุกกับเบือนัดกันเอ้ยเราสองคนแยกย้ายกันไปนะไปหาทางคนทุกข์ถ้าใครเจอก่อนมาบอกกันเห็นไหมเป็นเรื่องของคนอยากออกจากตรงนี้จึงมาทำเรื่องนี้ไม่ใช่แฟชั่นม่จะเห็นเข้าไปเข้าไปบ้าง คอยทำหนอยโอ้ยไม่เอาเนี่ยก่อนตมาจะมาเนี่ยมีคนจากจังหวัดอ่างทองมาบวชมาครัอาตมาถามว่าถูกบังคับบวชหรือเปล่ามาบวชที่นี่ต้องบวชหนึ่งเดือนนะบวชแล้วต้องเดินยองกลมนะครับครับไม่มีบังคับอยากบวชอยู่มาแปดเก้าวันวัดก่อไม่ออกมาทําบิณฑบาตก็ไม่เอาอาตมาบอกอ เราสาปให้แมวของเกงมาศึกเท่ากันบวชเสียประโยโรืเปล่าบวช ท, ทําไมอ่ะศึกไปให้ศึกเอ้ต้องบวชไปอ ย, อยู่บ้านเนะี่ยเท่ากันเนะี่ยบวชไม่บวชเท่ทากันเพราะว่าเรื่องของคนบวชนี่ยมันต้องเรื่องของการที่จะมาต้องการออกจากทุกข์ไม่ใช่เรื่องของการ ผมเหลืองกนคิ้วขนหัวโกโก้ไม่ใช่แล้วคนอื่นมากราบไหว้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการต้องการออกจากทุกข์พุทธเจ้าสร้างรูปแบบไว้ว่า อ, อ๋อให้เห็นว่านีน่ยที่โกนหัวหัวล้นผมเหลืองนั่นแหะพวกนี้ต้องการออกจากทุกข์กนนั่นแหละแต่จะทําตามหลักที่พุทธเจ้าสอนหรื อ, รอไม่อีกเรื่องหนึ่งจะเข้าใจไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งแต่นั่นเป็นสัญลักษณ์ของผู้ต้องการออกจากทุกข์ ไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่ไปสวดมนต์ทำน้ำมนต์ที่บ้านโยมไม่ใช่ไปสวดงานแต่งงานไม่ใช่ไปสวดศพไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ใช่แต่จริงๆเพื่อออกจากทุก เนี่ยถ้าหากว่าคนที่เข้ามาในรูปแบบนี้แล้วทาเหมือนที่โยมเข้ามากันเนี่ยแบบพระวเทียนสอนเนี่ยโอ้ยประเทศไทยเนี่ยช่วยสังคมล่มเย็นไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยพอใจดีมันก็ล่มเย็นในตัวเองอะทุกคนมีความล่มเย็นหมดเลยในตัวเองหมดเลยพอใจดีแล้วเนี่ยรับรองมันไม่ก่อความวุ่นวายคนอื่นแน่นอน ปัญหายากนะโยมนะแฟชั่นเนี่ ย, ยมีเยอะแต่ว่าจะไปจังเอาทำจริงๆอย่างจังเพื่อตรงนี้เนี่ยหายากปฏิบัติเป็นแฟชั่นมีเยอะพอเข้มหน่อยโอ้ยไม่ไหวอาตมาเคยเคยวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารมาชวนทำประกัน อาตมาก็ไม่ทําอาตมาว่าไปทําเขาก็หาว่าอาตมาเนี่ยสุดตรงไม่เดินสากลางอาตมาเอ่ยอมเข้าใจสากลางมัเป็นยังไงเนี่ยอาตมาเคยอยู่เนี่ยพอเราปฏิบัติทําปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติตามหลักการที่เราเรียนมาตามว่าเป็นหลักคําสอนพระเจ้าปุ๊บเนี่ย พระที่บวชมาที่เขาไม่สนใจเรื่องนี้ก็บอกว่าผมไม่เอาแล้วข้าว่าว่าตามานี้เข่งเราทําตามระเบียบมันเข่งตรงไห น, นอ่ะก็ะะตามระเบียบที่เราบวชเข้ามาแต่เข า, ชาเช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนข้ามจำบัดเขาบอกเขาเดินสายกลางเดินสายกลางแล้วไม่เข้าใจเรื่องสายกลางอ่ะ เนี่ยเหมือนไนหะมพอปฏิบัติเข้มหน่อยว่าฉันค่อยๆทาว่าฉันไปสายกลางฉันไว้สุดตรงพอดีไอคนที่มันว่าอาตมามันก็พูงพุย้ยเฉยสงสัยมันก็กินแบบสายกลางคือไม่เข้าใจสายกลางคําว่าสายกลางมันเป็นยังไงไม่ได้หมายถึงตรงนั้นจริงๆมันหมายถึงว่า ใจเราเนี่ยเป็นกลางแล้วไม่เข้าไปทางดีไม่ดีแล้วมันอยู่กลางไม่ได้อยู่ในความดีใจแล้วก็ความเสียใจแต่มันอยู่ในความใจดีใจเป็นกลางเหมือนเราขี่รถเป็นเนี่ยพอมันเป็นกลางแล้วมันนั่งสบายที่ตอนยังไม่เป็นกลางเนี่ยแล้วเรงหัดไปเป็นเดี๋ยวมันล้มซ้ายเดี๋ยวมันล้มขวาต้องคอยระวังตัวอยู่ด้วย เนี่ยขนาดที่ยมปฏิบัติอยู่เนี่ยต้องคอยระวังเดี๋ยวมันไปแล้วเดี๋ยวมันไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้มันยังไม่เป็นกลาง <S <S พอปฏิบัติไปถึงความเป็นกลางเ ม, นะมื่อไหร่นะใจเป็นกลางเมื่อไหร่นะสบายนี่คือความเป็นกลางไ ม, ไม่ออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังมันเป็นกลางเพราะเนี่ย หลวงพ่อเทียนเนี่ยโยมนะอาตมามาปฏิบัติเนี่ยไม่ทันหลวงพ่อเทียนแล้วปีสามสี่เริ่มเข้ามาปฏิบัติแต่กว่าอาตมาจะรู้จักหลวงพ่อเทียนเนี่ยถึงจะบอกว่าเริ่มดีก็ยังลังเลแล้วสงสัยจนกระทั่งวโอ้เป็นสภาวะที่โอ้เบาสบายดี จริงโอ้โอโลวงพ่อเทียนนี่หายากแล้วยิ่งฟังอย่างโยมมาบ่นมาคืนนะหลวงพ่อมาเนี่ยพยายามที่จะให้โยมเอาของจริงมาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดแม้จะฝืนใจคนอื่นก็พยายามเอาเรื่องจริงตรงไปตรงมาตรงประเด็นมาพูดท่านก็พยายามยกตัวอย่างว่าเช่นว่าเราเนี่ยได้ของดีมาเราจะให้ใครก่อนน่ะ ก็จะมาฟังใช่ใครก่อนก็ต้องมีเขาบอกมีเมียก็ต้องให้เมียก่อนมีลูกวะก็ต้องให้ลูกก่อนจะไปถึงคนอื่นเนะี่ยก็ของดีเราจะก็ใจไม่เข้าใจแต่ว่าท่านได้ของดีมาท่านก็มุ่งหมายจะให้คนที่คิดว่าตัวเองรักที่สุดก่อนอยู่ใกล้ชิด ท่านมาสอนเนี่ยท่านต้องการอะไรม้างเคยเห็นวิธีการหลงพ่อเทียนเนี่ยสอนเพื่อจะเอาเอกราบหรือเปล่าต้องการเจะเาชื่อเสียงหรือเปล่าอยากให้คนมาติดตามเขาลบนับถือเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่าหลวงพ่อเทียนไม่มีอ่ะอยากจะบอกอะไรที่มันตรงไปตรงมาตรงประเด็นเลยเนี่ย รัสสั้นตรงเรื่องเดียวคุณไม่ต้องไปมัวหลงงงงายเรื่องอื่นเอาเรื่องเดียวเนี่ยคุณจะรู้คุณจะเข้าใจว่านี่คือศาสนาจริงๆพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่เด็ดขาดเลยเรื่องอื่นเนี่ยทำเต็มบ้านเต็มเมืองช่วยแต่ไม่ได้ แต่มาทำเรื่องเดียวเนะี่ยช่วยได้คนไม่เอาก็บอกว่าต้นไม้อ่ะมันไม่มีก็พีไม่มีเปลือกมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่แค่พีแค่กับเลือกนะไม่มีประโยชน์ประโยชน์มันน้อยประโยชน์มันน้อยนะถ้าโยมทำไปนั่นมาลายโยมจะรู้ โอ้นี่คือประโยชน์มหาศาลมันเป็นประโยชน์จริงๆประโยชน์แท้ๆเราจะเห็นความไม่เข้าใจของเราที่ผ่านมาเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆโยมไม่ใช่เฉพาะโยมเราแม้จะจบปะเปลี่ยนธรรมข้าวประโยชน์ก็ไม่รู้ไม่รู้ความจริงพราความจริงมันคืออะไร อาตมาบอกนเรียนได้แปลได้ใช้ไม่เป็นไม่รู้ใช้ยังไงท่านบอก่าเนี่ยไม่รู้ใช้ยังไงใช้ไม่เป็นต้องมาใสาัยนุ่งคนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออาศัยวิธีการของคนไม่เรียนหนังสือเนี่ยอาตมาไม่เคยเห็นใครสอนอย่างเงี้ยเห็นไหมเราค้ำหาทางออกไม่ได้ให้ทานรักษาศีล ทำสมาธิฮะคุณ hey, เข้าเทียนสาธิตให้ดูคําหาทางออกกันเนี่ยออกบ้าโอ้ทางก็ใช้คําว่าพุโทโธพุโทโธจริงๆก็บอกว่าคําว่าพุโทโธก็อ๋อรู้แล้วอ๋อรู้แล้วมันอันเดียวกันเนี่ยอ๋อรู้แล้วเพราะว่าคำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะผู้ตื่นผู้เบิกบาน ก็าพูดใจดีนั่นแหละรู้ตื่นออกมากคือใจดีอ่ะใจดีตลอดการไม่พูดเรื่องอื่นให้พูดโยมทําบุญเยอะๆนะจะได้ไปสวรรค์ไปโน่นไปนี่นะจะได้บุญเยอะตั้งตับริจาคเต็มเลยไม่เอาเอาเรื่องเดียวเรื่องนั้นก็ทํามามากแล้วเห็นไหยขนาด มันมีนี่อยากเกิดเป็นอะไรเราสร้างสะพานสร้างซ้อนราสร้างแกก็ทำนะฟังโยมมันเคนบอกกับพาพัฒนาสร้างทางสร้างสะพานแต่ว่าพอไปทำตรงนี้ไปแล้วไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยโลความจริงแล้วไม่พูดเลยแล้วลกศิษยก็บอกหลวงพ่อเทียนไปอยู่ไหนไม่เคยเน้นเรื่องการก่อสร้างไม่เคยทําเลยไม่เคยเห็นเห็นบอกว่ามาสร้างสั่งสร้างกุฏิเมื่อ เปิดทับมิ่งขวัญใหม่ใหม่รมาก็ฟังมาจากครูบาอาจารย์ที่ใกล้ชิดหรงพ่อเทียนลงพราเทียนเอาเรื่องเดียวที่จะช่วยคนได้พาคนไม่ถูกเขาหลอกไม่งั้นถูกเขาหลอกเยอะเป็นว่าโอ้โห จะตุว้าบ้างพับเครื่องบ้างทำเยอะแยะหมดทำอะไรใสดักเงินดักท้องบ้างเนี่ยเขาหลอกดักคนที่หลงเข้าไปแล้วไม่หลอกใครแล้วติดเป็นแถวหมดตมาก็พูดตรง ช, นะช่วยไม่ได้ยื่นไม่ได้นะช่วยไม่ได้ไม่ยอมก็ เข้ามาหาตมาจะมาชวนทำพักเครื่องเขาเป็นคนประกอบประชิตนี้อาตมาบอกอืมธาตมาไม่ทำหรอกพอธรรมาสลดใจเคยไปทอดกระถินเอานำกระถินไปทอดที่บ้านโยมโงบ้าบาลเขาหาพักเครื่องมาแจกพอแจกแจกแจกไปมันหมดก่อนนะ มีคนไม่ได้อยู่คนละอสองคนก็โอ้ชันอุตสาห์มาทำบุญฉันยังไม่ได้เลยอยังงนี้เออมาทำบุญเขาไม่รู้ว่าบุญคืออะไรนี่เขามารับของแจกนะเนี้ยอาตมาคิดทางนั้นไหมเอาไปแจกนะไม่แจกแล้วก็อาตมาก็เคยสลดใจแบบ ได้ยินล่าวว่ารถติดไฟแดงพวกกับปืนมาีจีอาสมเด็จไปราคาห้าแสนโอ้เออมีบัญฑ์เบญจภาคีราคาสิบล้านพวกมาขอดู้วเปืนยิงเจ้าของตาย <c oughs> ถามว่าไหนใครคุ้มครองใครท่านก็ไม่เคยมาบอกน้นะมึงออบกูไปคองกูจะคุ้มครองมึงนะไปกล่าวัวเองว่าท่านจะต้องคุ้มครองเห็นไหม หลวพ่อคูยังบอกว่าเอ้ยมึงเหยียบร้อยแล้วกูก็โดดลงก่อนเลยวัน <c oughs> คือเนี่ยคนเราไปก่าวตูแล้วไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อืมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นเลยเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยจะหนังเหนียวจะยอยู่ยงมันก็ตายถึงเวลาตายมันก็ตายแล้วก็เวลาเราไม่มีเงินจะช่วยหาเงินไหมวะ เวลาเราร้องไห้เศร้าโศกเฮ้ยมึงอย่าร้องไห้สิไม่เคยบอกเลยแล้วเวลาลืมมาเห็นเนี่ยอาจารย์บาสังเกตดูนะเลิมบอกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวหายไปไหนวนะเนี่ยเราลืมมาซะแล้วว่าเหมืเอเฮ้ยเฮ้ยมึงเลิมกูแล้วเนี่ยมึงแค่เรียกยังไม่ยอมเรียกเลยยังไม่ยอมเรียกเลยเห็นไหมโอ้อยไม่ได้ไม่ได้คล้องเนี่รอดลาผ้าไม่ได้เลยแต่หลวงพ่อที่คล้องไม่เคยบอกตะคําเลยแต่คนที่คล้องมันบอกมันถือถือ แต่ถามมันออกมาจากตรงไหนนะเพราะไม่รู้นะโยมพอมาทำแบบหลวง่าเทียนรู้เนี่ยมันไม่ถือสักเรื่องเลยเพราะไม่เกี่ยวกั น, มนไม่ถือหรอกนะนี่คือความจริงที่งานปริวาาอื่นก็มีพระสองพระกันเต้มื่อตมาตกใจหมดเลยแต่ที่วัดนี่ห้ามเด็ดขาดไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าที่วัดนี่ขอเอาเรื่องเดียว เรื่องอย่างนี้เรื่องปฏิบัติพระจะอยู่ด้วยกันที่วัดก็ต้องเอาเรื่องเดียวเรื่องปฏิบัติเรื่องอื่นไม่ต้องทำเรื่องอย่างนี้มันช่วยเราได้เรียนรู้ได้เราต้องให้รู้ความจริงบอกความจริงไม่ใช่โอ้เนี่ยบวชนะแทนคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เลี้ยงมาเกือบตายบางทีบวชเข้ามานี่โอ้ยฉันจะบวชมาพักผ่อนให้ทำบาโสวดมนต์ก็ไม่เอาแล้ว โอ้โหเบื่อจะตายไปรับพรณาบอกแทนคุณพ่อคุณแม่แค่เรียนมาพระเจ้าไอ้คำภีก็ยังไม่เคยบอกเลยมีแต่บอกว่าเอาพ่อไว้บาขวาแม่แม่ไว้บาขวาพ่อไว้บ่าซ้ายให้กินให้ทายป้อนข้าวป้อนน้าตลอดร้อยปียังแทนคุณพ่อแม่ไม่ได้เลยบอกอย่างเนี่ยเราไม่ได้บอกก็โกลหัวแล้วแทนคุณพ่อแม่ได้แต่ต้องทําให้พ่อแม่มันปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจธรรมนี้แทนคุณได้เห็นไหม คนละเรื่องเลยบวชมาแล้วยังทําให้พ่อแม่เลื่อมใสไม่ได้ตัวเองยังไม่เลื่อมใสตัวเองแ ล, แล้วจะไปแทนคุณพ่อแม่ได้ที่ไหนเนี่ยคนไทยก็นะมีลูกก็อยากให้บวชอย่างเดียวผักนั้นเออมึงบวชมึงบวชคุณหน่อยนะเอามรดส์อ่เอเอเอะเออเอาจ้างจ้าบุญโถโลูกมันยังไม่รู้จักบุญเลยบวชมายังว่าไม่ได้ยังไม่เอาอะไรเลย ให้เดินจยกรมทั้งวันเลยลองเลงเดี๋ยวก็หนีเพนแล็บพอเราไม่รู้นะ่ะไม่รู้และเอาไปเป็นว่าโอ๊ยเป็นผู้ชายต้องบวชมันใครก็บวชได้ผู้หญิงก็บวชได้การบวชไม่มีเพศเหรอกบวชใจอะยองก็เป็นพระได้ปฏิบัติให้เข้าเท่าความเป็นพระเลหลวงพ่อเทียนบอกเราเป็นพระได้แล้วตอนเป็นฆราวาสเห็นไหมทุกคนเนี่เป็นพระได้หมดนะ่ะแต่ทำตรงนี้ได้ เป็นพระได้หมดอย่างนี้เนี่ยที่โกนหัวโกนคิ้วเนี่ยสมมุติสมมติที่สงยังไม่เป็นพระนะเป็นสมมติแต่ถ้าใจเป็นพระแล้วนะ่ะจึงจะเป็นพระโดยปรมัตดเพราะฉะนั้นโดยปรมัดเนี่ยใครก็เป็นได้แต่ถ้าโดยสมมตินโยมเป็นไม่ได้เป็นพระอย่างนี้ไม่ได้โดยสมมติ ถ้าโดยปรมัจิตนี่เป็นได้หมดเลยไม่ต้องโกนหัวไว้ผมยาวเป็นได้หมดสีไหนก็ได้ชุดไหนก็ได้ไม่ต้องสีขาวเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำนี่มาบวชใจเป็นพระที่ใจใจดีเป็นพระมันนะัเพราะนั้นเป็นบุ้โยมผู้หญิงจะไปน้อยใจว่าโอ้เราบวชไม่ได้ได้เปรียบกวโยมผู้ชายรืปล่ะโยมผู้ชายเนี่ย ทำไมไม่ค่อยเข้าวัดยงผู่หญิงรู้ไหมรู้ไหมแม่นแม่นที่ไม่เข้าวัดเพราะอะไรอ่ะนี่ปีที่แล้วอาตมาเจอเขาเป็นนักข่าวเขาแอนตี้คนที่ทาบุญแล้วก็เข้าวัดลูกชายจะบวชตนานมายอมไม่บวชจนรู้ว่ามีจบปริญญาโทรู้ว่ามีโครงการบวชในหลวงชิงยอมมาบวช อาตมาก็ถามเรื่องธรรมะเขาบอกธรรมะต้องแยกกันบ้านผมเข้าวัดเงี้นแต่ผมไปเห็นพระแล้วมีแต่ผลประโยชน์เลยผมไม่เข้าไปเอากระจิ้งเขานะแต่ว่าเขาเขาคนตรงนะอาตมาก็เลยคุยฟังว่าเอออาตมาก็เข้าใจทําไมโยมผู้ชายไม่เข้าวัดเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นพระไม่ได้ทำอะไรเช้าเอ็นเพลนอนกลางวันพักผ่อนค่ำจํำวัด แต่ตัวเองบวชก็มาก็เป็นอย่างนั้นไม่เห็นมีอะไรบวชเข้าไปไปอาศัยข้าวชาวบ้านกินเท่านั้นเองเอาวามคิดอย่างเนี้ย mm hmm. ก็บวชทำไมเองใช่ไหมก็ไม่เห็นเองอะ่ะ mm hmm. พอเสื่อมก็ไปมันก็ไม่อยากเข้าวัด mm hmm. พวกนี้ไม่อยากเข้าวัดอะ่ะอาตมาก็ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาแกมาเหรอแกจะบวชใช่ไหมต้องอยู่วัดเจ็ดวันต้องท่องสื่อได้กับบวชแล้วต้องเดินจงโกงทั้งวันต้องทรมานมันเยอะๆพวกนี้ไม่ได้ พอถูกทรมายเยอะมันโอ้โหบวชไม่เคยสบายเลยเว้ยไหาใครว่าสบายวะไม่เคยว่างเลยวะเออมันไม่เคยเราไม่เคยว่างนี่วะใครว่าบวชสบายอ่ะมันจะออกไปมันไม่พูดแล้วสบายโอ้โหพระไม่เคยอยู่นิ่งเลยมันก็จะไปพูดอย่างนี้แหละพอพูดเออไอคนที่มันได้ฟังโอ้โหบวดไม่สบายนี่วะเราต้องเตรียมใจเข้าบวชเว้ยบวชเราต้องทาอย่างนี้เห็นไหม ออมันจะพูดอย่างไงก็ช่างแล้วโอ๋หลวงพ่อวันนี้เข่งขี้ผายเลยเนี่ยไม่ให้มีเวลาว่างเลยช่างมันเลยมันไปคุยไงมันได้รู้โอ้พระเขาบวชก็ต้องทําอย่างนี้มันไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรหนระอกอาตมาคิดอย่างเงี้ยรู้ไหมอาตมาคุยอย่างนี้แล้วโยองคนนั้นเนี่ยพอจะกลับแล้วน้ำตาไหลพอขอกอดแล้วมาขออยู่วัดสิบวันปฏิบัติอ่ะอยู่ได้อ่ะ เดี๋ยวนี้เจอที่ไหนเข้าหาที่นั่นเลยและถ้าไม่ทันอย่างเี้อาตมาไม่จาเป็นมันไม่เกี่ยวกันว่าจะต้องมาบวชแม้คนอยู่ติดวัดไม่บวชที่วัดอาตมาไว้ว่าเมื่อบวชแล้วมันไม่ไปมีประโยชน์อะไรบวชทำไมบวชเอาอะไรเนี่ยเหมือนเรามีบูชศาสนาเรามาแค่ทำบุญใส่บาปเอาแค่นั้นน่ะเหรอเราอยัางโลภอย่างโกรธยังหลงอะไรไม่รู้อะไรเอาแค่นั้นเหรอ ถ้าไม่มีวิธีการแบบหลงเพื่อเทียนให้เห็นชัดอาตมาโอ้โหยากมากๆ <c oughs> วิธีการของท่านมันชัดเจนแล้วไม่เน้นเรื่องอื่นไม่เล่นเรื่องจะต้องเอาใจญาติโยมจะต้องเอาอะไรมาแจกโยมจะได้ชอบโยมจะได้ติดจะได้หลอกเอาเงินโยมเยอะๆไม่เอาเอาเรื่องเดียวเนี่ยและอาตมาเชื่อ คนที่ปฏิบัติได้ผลแล้วเนี่ยมันเห็นว่าได้ผลแล้ ว, ลวทุกคนเห็นได้ผลนั่นเนี่ย อ, อโครงการนี้ดีทำบุญด้วยใจเห็นไหมให้ด้วยใจใจจะเห็นว่าเป็นประโยชน์ให้ไม่ได้ให้เพราะว่าความรุ่มหลงอาตมาเองก็ยังยังกล้าทําไม่ถึงหลวงพ่อเทียนเลยวันหนึ่งเนี่ยเขานิมนต์ไปสวหมดที่โรงงานให้ผัวเป็นนิมนต์พอไปถึงวโรงงานอ้าว แฟนแกนไปไหนล่ะเข้าโรงพยาบาลทําไมอ่ะกินเหล้ามากก็เพาะทะลุเออแล้วมันจะให้ไปทําน้ํามนต์เอ า, างี้ไหมพรมน้ำมนต์เนี่ยถ้าน้ำมนต์ดีจริงผัวแกต้องหายกินเหล้าสิไม่ต้องผมน้ำมนต์กับผัวแกเลิกเหล้าได้ก็เลิกเขา ไ, ไหน <c oughs> หายเลือกบ้างสองอย่างผัวไม่กินเหล้าไม่ต้องผมน้ำมนต์แต่ถ้าพมน้ำมนต์แล้วผัวยังเลิกเหล้าไม่ได้ เลือกเอาไหนสองอย่างเนี่ยเลือกเอาไหนก็ผมก็ยังเหมือนเดิมไม่ยังโกรธก็โกรธเหมือนเดิมไม่เห็นไปไหนเลยฮะบางทีนั่งกินเหล้าไม่อายพระ้าด้วยซ้ํำไปตั้งวงยังไม่รู้อะไรเลยอะเนี่ยถ้าโยมอยากเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตรงนี้แหละแล้วมันจะเข้าใจเรื่องงทั้งหมดเองไม่ต้องไปฟังใครอธิบาย ทำตรงนี้ได้อาตมารับรองได้รู้เรื่องหมดอื่นหมดรู้เรื่องอื่นเนี่ยอาตมาก็เรียนมาเมื่อก่อนก็หลงเหมือนเขาเหมือนกันแต่พอมาทําตรงนี้เนี่ยมันจึงเข้าใจอย่างนี้จึงรู้อย่างนี้จึงกล้าพูดเรื่องอย่างนี้ด้วยกล้าพูดกล้าบอกด้วยนะพูดบอกตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวใคร ไม่ชอบไม่ต้องกลัวใครเกลียดบอกสิ่งที่ตรงไปตรงมาถ้าเราไม่พูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยมัวแต่พูดอ้อมคอมมันก็ไม่ได้แต่คนถ้ารู้จริงแล้วมันต้องพูดของจริงพูดอ้อมอยู่ทำไมถ้ายังพูดอ้อมอยู่แสดงว่ามันยังมีอะไรอยู่ในใจอยู่ยังมีเล่มมีมายาอยู่ในใจ ต้องการอะไรจากคนที่ฟังหรือเปล่าอืมใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยโยมทาตรงนี้นะมันจงจะเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าไม่จะไปจำเขาพูดนะถ้าจำามาพูดก็ไม่ใช่ของจริงต้องเอาจากที่มันเกิดขึ้นกับเราแต่อย่าไปเอาความคิดนะความคิดนี่เชื่อเชื่อไม่ได้ ต้องเอาความรู้สึกอย่างใจดีเนี่ยไม่ใช่ความคิดนะโกรธนี่ไม่ใช่ความคิดนะเบือ่อนี่ไม่ใช่ความคิดนะมันเบื่อจริงจริงร้อนหนาวไม่ใช่ความคิดนะหิวไม่ใช่ความคิดแต่มันเป็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นถ้าความคิดอนะ้นั่นก็ layers, <c oughs> ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีอ้นั่นก็ดี <c oughs> ไอ้นี่ก็ดี <c oughs> นี่คือความคิดถ้าไม่ใช่ความคิดมันจะเป็นมันสื่อ เห็นความรู้สึกตัวเนี่ยหลวง่เสยงบอกรู้ซื่อมันไม่ไม่ ด, ไมดีไม่มีความดีแล้วความชั่วอะไรมีแต่ความรู้สึกตัวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ความรู้สึกตัวเหนะ็นไหพอขยับปุ๊บเนี่ยมันเป็นปัจจุบลลันรู้เลยเพอหยุดปุ๊บมันรู้หายขยับรู้จะเป็น ค, คนชาติใดภาษาใดต้องมีความรู้สึกตัวเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอาตมาก็เออก็ได้วิธีลงบทเรียนนะทําแล้วไอ้ที่เรียนมาศึกษามาพอได้ ว, วิธีลงบทเรียนแล้วหันกลับไปมองมันจึงเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความเป็นจริง <c oughs> เข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นตำราที่เรียนมาแต่เมื่อก่อนไม่รู้เลย รู้แต่มัรู้แบบทั้งโมที่อรู้แต่มันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงคิดนะคิดนะเมื่อก่อนตะมาเคยฟังพระธันเทศสอนหน้าคกิจโฉมนุสสปฏิลาโพการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยา่าการจะเป็นมนุษย์ได้ จะเกิด เ, เป็นมนุษย์ได้นี่มันเป็นของยากนะเพราะบางทีเกิดเป็นสัตว์ไรฉัอนอะไรจะมากมายกว่าไปนี่ยกิจฉังมัจจานชีวิตตางการจะรักษาชีวิตอยู่มาได้จนอายุยี่สิบปีบวชได้นู้มันยากนะเขาเทงน์กันจริงปะเนี่ย <laughs> นี่กิจฉังสัตธรรมะสะวรรค์การได้ฟังพราะสัตธรรมเป็นสิ่งที่หา ย, ยากกว่าจะเกิด จะได้ฟังทำได้ในจากพาระพุทธเจ้าโอ้โหมันหายากนะเกิดโฉมนุษย์พุะฐานอมภวการเกิดขึ้นแ่งพุทธเจ้าโอ้โหต้องเป็นกลับเป็นกันเท่านั้นตอนนี้มันยากธรรมาก็ฟังพอมาแต่ปฏิบัติแบบนี้พเข้าใจอ้โมันไม่ใช่นี่นะอะถ้าเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่เงี้ยนะยังทะเลาะกันนั่นนหละแล้วมันดีตรงไหนอ่ะ ดีตรงไหนแต่ถ้าเป็นมนุษย์ใน <c oughs> ในสภาวะที่ใจสูงใจดีนสินี่สิมันหายากอ่ะมนุษย์ก็แปลว่าใจสูงนะไม่ใช่แค่เกิดมาเป็นอย่างนี้เราเป็นมนุษย์นะเราจะทำใจเราให้สูงนี่ยากไหมล่ะยากไหม ทำให้ใจสูงคือใจดีในยากไหมเล่ะเนี่ยเ น, เนี่ยเป็นมนุษย์ยังเป็นยากเนี่ยนะกีดฉังมัจจาชีวิตปกดำรงชีวิตอย่างสะ ด, สะดวกสบายของยาตั้มมาอ๋อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยสมัยนี้ไม่สะดวกสบายแลวไปไหนก็นั่งรถโอ้โหมีแอร์มีพัดลมมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างดีเลยแต่คนยังทะเลาะกันยังแต่ว่า พอเรามตเจริญสติใจดีนี่โอ้โหจะเดินก็ไม่เบื่อจะไปไหนก็ไม่อึดอัดรถติดสองสาชั่วโมงก็สบายสบายเอ๊ะมันอ๋อมันสบายอย่างนี้เหรอเนี่ยอ๋อมันคนละเรื่องกันเลยไมยอ๋อดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายไม่ใช่ไปไหนสะดวกมีรถขีไม่ใช่หรอกแม้แต่เดินไปก็ใจก็สบาย ไม่อยู่ในห้องแอร์ก็สบายไม่ร้อนใจอ๋อมันสบายอย่างนี้เอง <c oughs> เนะกิจฉังสัทธรรมะสวรรค์การฟังพระสัทธรรมแล้วเข้าใจนี่ยากไม่ใช่ว่าหาฟังยากรักโอ้โหเดี๋ยวนี้มีทั้งสื่อทีวีสื่อวิทยุพระก็พูดหนังสือก็มีให้อ่านเข้าใจไหมล่ะ เรียญจบประโยคเก้าแล้วยังยังรอบยังโกยังหลงอยู่เลยต้องมาเดินจงกรมเห็นไหมฟังหลวงพ่อเทียนใหม่ใหม่ไม่เข้าใจเลยพอมาเดินจงกรมนะเข้าๆอ๋อเข้าใจแล้วถามว่าโอาการได้ฟังพระสัธรรมแล้วเข้าใจมันยากถ้าปฏิบัติไม่ได้มันไม่เข้าใจเลยอ่ะเรียนมาก็ไม่เข้าใจอ่ะจริงไหมหรอจริงไหม นั่งฟังมาตั้งนานเนี่ยเคยเกิดมาคนหลายๆแล้วเนี่ยฟังพระพูดพระเทศมาตั้งเยอะเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจระดับทุกได้ไหมไม่โกรธไม่โลภเลยไหมนะมีลูกคนคอยเชียร์นะไ <c> ม <oughs> ่ไรเข้าใจแล้ว <c oughs> คือนี่การได้ฟังพระสธรรมแล้วเข้าใจเนี่ยมันยาก แล้วก็พุโทธโธกิจโฌพุทธามุปาสการเกิดขึ้นแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของยากเนี่ยพทธเจ้าคืออะไรสภาวะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานในะสภาวะอันนี้เนี่ยที่มันจะเกิดกับเราเนี่ยมันยากมากต้องทนเห็นไหมเล่าต้องเดินจงกรมก็ต้องวันต้องทนต่อเอาหลับอดนอนโอ้โหกว่าจะเข้าถึงตรงนี้ได้โอ้โหมันไม่ใช่ของง่าย ถ้าเกิดว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วแต่เรายังเหมือนเดิมยังโลภยังโกรธยังหลงถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรอะ่ะมีหมอมียาดีแต่เราก็ยังป่วยเหมือนเดิมเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์เลยอะ่อนนะแล้วแต่ถ้าหากว่าเราหายป่วยปุ๊บเนี่ยโอ้ันเป็นประโยชน์ใช่ไหมพอใจเราให้ยป่วยเป็นประโยชน์ทันทีเลยนี่แหละ จึงบอกว่าเมื่อเราฟังภาษาพูดเฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติ้มันไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่ไม่ตรงประเด็นคนละเรื่องกันเพราะเราคิดเราเราฟังมาแต่ถามว่าอาตมาจริงๆอาตมาอาตมาเชื่อไหมจริงๆเรียนมาอาตมาก็ไม่เชื่อหรอกแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะที่บอกไม่เชื่อเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้นะ เราก็มองไม่เห็นเราก็พิสูจน์ไม่ได้มีแต่เขาว่ามาว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นเขาเขียนมาในตำราว่าพิสุจน์เดินไปบินธบาตที่ภูเขาคิจกูดแล้วเดินยิ้มยิ้มเพราะอะไรเห็นอะ้รไปเห็นเปรตมันรูปร่างแต่เหมือนคนแต่ว่าทีส่าเหมือนวัวเหมือนเป็ดเหมือนไก่เรามาเล่าให้ฟัง แล้วเขก็เมาว่าพระพุทธเจ้าบอกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครยืนยันได้เราเห็นไหมเราก็ไม่เห็นแต่ถ้ามาเจริญสติแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเรามีทําให้เราทกน้อยลงไปใจเราดีขึ้นเน่ะอันนี้พิสูจน์ได้อันนี้ยยืนยันได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกยืนยันได้ด้วยตนเองนี่ยืนยันได้แน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นกับเรา แล้วมันพิสูจน์ด้วยไม่ต้องไปรอตายแล้วพิสูจน์ตายแล้วไปไหนก็ไม่รูอ่ะอัตามาเรียนมันก็จริงแต่อัตามาพิสูจน์ไม่ได้อัตมาไม่รู้แต่ว่าเรายังไม่รู้อะไรก็ว่าไงก็ว่าไปตามคเขาว่าตามกันนะเหมือนก็บอกว่าเห็นส่องบาทนะองตาแค่บวชมานานเราบินบาทก็สองไอ้พระใหม่ไงองตาทำอะไรวะส่องมเห็นองตาสองก็สอง ลุตงตาก็าบวชมานานเ็าดูาบาทรมันทะลุกี่รูแล้วไอ้พระบทหมายไม่รู้เออตงใส่ต้องส่องบาทรซะก่อนนะ mm hmm. มันก็ว่าตามมาแบบทาแบบไม่รูนะ้เน mm ี hmm. ่ยเถนสองบาทททำตามกันมา mm hmm. ไม่รู้ mm hmm. มันเหมือนกันนะ mm hmm. ถ้าอาตมาไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้มาทำอย่างนี้แล้วก็รู้มันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเถนสองบาท ทำตามไปจะพูดไปอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคำพียืนยันอย่างนี้แต่พอเรามาปฏิบัติอ๋อเรื่องมันตรงนี้เองคำพีจะไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนอนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเทียนนั้นพูดไม่เหมือนที่บอกไม่เหมือนเนี่ย ในตำราเขาบอกว่าทุกต้องกําหนดรู้อาตมาเคยไปถามเขบอกํากหนดรู้อะไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ถ้าถามว่าไม่รู้จักเหรอน่ะรู้จักอรู้จักแล้วมัยังทุกอยู่อ่ะรู้จักยังยังทุกอยู่อ่ะเพราะเรากําหนดไม่ไม่เป็นนะ่ะ หลวงพ่อเทียนบอกก็ทุกต้องก ำ, นงกำนนหนดรู้รู้อะรรู้ตัวเคลื่อนตัวไหวรู้ความรู้สึกตัวต้องกําหนดรู้นะเส ม, มุทัยก็บอกอ่ะสมุทัยต้องละหลวงพ่อเทียนก็สอนเรื่องเดียวเรื่องเนี้ยมันจะคิดเรื่องไรก็ช่างมันแต่มามาอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยอมามาเรื่องเดียวหันมาเรื่องเดียวอวิชชา คือความไม่รู้สึกตัววิชาคือรู้สึกตัวคนก็นมันก็งงสิเรียนมาตามตำราไม่มีพูดหงงเห็นไหมงงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอาตมามบอกโอ้มาเรียนรู้แบบหลงพ่อเทียนไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนี่ยใช่แล้วก็ ต้องคนตั้งใจจริงๆถ้าคนไม่ตั้งใจเนี่ยมันต้องอดทนเนี่ยโอ้ต้องอดทนมากๆอาตมายอมรับว่าทำนี้อดทนสุดๆแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากับความอดทนรู้ไหมตัมมาไปฝึกตัวเองทำยังไง พอพอาตมารู้ว่าการอดทนต่ออาการที่เกิดขึ้นความง่วงความอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเกิดได้ผลว่อาตมาเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการฝึกเราหมดเลยไม่เคยนึกว่าเป็นอุปสรรคเลยพอนึกว่าเป็นเครื่องมือฝึกฝึกเรามันเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่เอาละสู้มันต้องสู้ต้องทนต้องทนต้องทนมอาตมาจึง ฝึกพระที่วัดต้องให้อดทนอย่างเงี้ยไม่รู้บอกว่าพระที่เขามาอยู่บริวาที่วัดผมอยู่สองหนึ่งเข็ด จ, จนตายไม่ใหม่เลสองโ อ, โ, อโอ้โหดีจริงๆเปลี่ยนแปลงก็าได้ก็อาตมาก็ดูพระเจ้าก็ไม่เคยจะไปสอนคนทั่วไปอย่างเนี้ยที่เรียนตามตำรายั้มช้ามืดขึ้นมาก็บอกอ๋อไอคนนี้มัน ตั้งใจปฏิบัติมันทำมานี่มันสมควรจะรู้แล้วไปพูดมันฟังหน่อยไม่ใช่เจอใครก็สอนด่าไปเลยไม่ใช่พุทธเจ้ามันยางไงคนจะเข้ามาหาพระองค์ก็มีแนวโน้มแหละเข้ามานะอาตมาสอนเข้มเนี่ ย, ค น, าาานนยคนจะเข้ามาหาตมาก็ต้องต้องรู้แล้วว่าองค์นี้สอนเข้มเนี่ยเราอยากรู้อยากไปเรียนจากท่า น, นต้องมา ม, มีหลายคนที่อยากจะไปวัดธรรมาแต่ไม่กล้าไปเจอหน้าหลนโอ้ฉันอยากจะไปวัดท่านยังเลยแต่ไม่เห็นมาสักทีเลยอย่างนี้ไม่เจอคนจริงไม่ก้ามาไม่ก้ามาเห็นไนหะมธรรมะคัดได้เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปยืนเลือกหรอกคนจริงเดี๋ยวมาเองคนไม่จริงไม่เข้ามาหรอกเห็นนะเนี่ยก็มีคนจริงเนี่ย ชวนมานี่ยังไม่มาเลยนะอยู่ที่วัดตั้งใจทำมีไม่มาแล้วก็อาตมาว่าเนี่ยเราโชคดีแล้วตั้งใจอาตมาอยากให้กำลังใจนะอยากให้ตั้งใจ เราเจอแล้วเนี่ยเราเจอจริงหรื อ, อยังนะเจอหลวงพ่อเทียนจริงหรื อ, อยังเอ อ, อย่ามาเจอแค่รูปแบบอย่าเจอแค่รูปแบบเพราะว่าเจอหลวงพ่อเทียนต้องเจอจริงๆพอเจอจริงๆเราจะทราบซึ้งหลวงพ่อเทียนโอ้ พูดอะไรก็ตรงหมดตรงหมดกล้าพูดหมดฉลาดพูดหมดพูดไม่มีแอบแฝงประโยชน์อะไรสักอย่างซื่อซื่อตรงตรงไม่มีอ่ะยิ่งในยุคนี้สมัยนในส ม, ามาัยวะโอล ได้วิธีลงพ่อเทียนอัตมาก็าได้วิธีลงพ่อเทียนที่ทำตัวเองแล้วก็ไปแนะนาคนอื่นก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าอยู่วัดแล้ว <c oughs> เป็นเจ้าวาดแล้วนี่โอ้โหสบายปกครองเพาะพระเดินจงกรมสังหมดแล้วสบายจะทำอะไรก็มีระเบียบเรียบร้อยสบาย ให้เดินยกมมาเยอะคนขี้เกียจอยู่ไม่ได้เนะนะอยู่ไม่ได้เราแล้วตมาเชื่อว่าถ้ามีโอกาสได้ทำต้องทำจริงๆถ้าทำไม่จริงไม่เห็นหรอกไม่เห็นเราประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองยังอ้้ทุ่มเทเราดู อันตรมาดูลุงพ่อเทียนในไรในสื่อเนี่ยอุ้ยท่านตั้งใจเรื่องแต่เรื่องสอนนะทําแต่เรื่องนี้นี่จริงๆเลยไม่คํานึงถึงว่าอ๋อจะต้องมีคนมาทําบุญต้องมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะแล้วพอมาในสายหลวพ่อเทียนจริงๆไม่มีใช่ไหม ต้องไปที่อื่นสิพอพระ ค, คุนเทพไปไงถือขันแล้วไปนเนี่ยเรามาลำลึกนึกถึงหลวงพ่อเทียนที่ระ ล, ลึกนึกถึงนี้เพราะได้ประโยชน์ จากวิธีการของท่านวิธีการของท่านทําให้เราได้ประโยชน์อัตมาก็ได้ประโยชน์จากวิธีการของมโหเทียนจึงนึกถึงลมโหเทียนทราบซึ้งในวิธีการสอนมโหเทียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพมณ์ก็คิดว่าเนาะ คงจะสมควรเกิเวลาแนะพออีกเล็กสิบนาทีนะก็ได้มีโอกาสได้มาร่วงมงานได้มาได้มาพูดมาคุยกับบรรดาญาโยมนะเราก็เหมือนญาติกันนั่นแหละเราก็ลูกศิษย์หลงพ่อเทียนเหมือนกันจะเห็นนลวงพ่อเทียนหรือไม่กนะ็เราได้มาพบมาปมาเจอกันเนี่ยวันนี้ยังเส ด, ด็จมาจะมาไปถ่ายวิดีโอมาหน่อยนั้นเนี่ยหัวใจเปิด ที่เขาเดินกันอยู่ที่ถนนเนี่ยโอ้หถ่ายมาัเนี่ยเขาไม่ได้เปิ ด, ด้ท่านี้เห็นเราทหารก็เดินด้วยคนเห็นเราก็ปื้มใจเดิ น, นเนี่ยทำเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของหลงเทียนนะเพราะฉะนั้นธรรมมาภาพก็ขอให้ คุณงามความดีหรือความตั้งใจของพวกเราทุกคนนี้จงทำให้ทุกท่านนั้นได้มีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ